ซึ่งในความเห็นของพระอนุรุทธะท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้เมื่อพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านพระมาหากรสปะว่าท่านพระมาหากรสปะปฏิพานตามที่เป็นของตนท่านอนุรุทธะพยากรณ์แล้วบัดนี้เราขอถามท่านพระมาหากระสปะในข้อนั้นว่า ป่าโคสิงคฆาสาลวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สาละมีดอกบานสพรั่งทั่วต้นปลิ่นคล้ายทิพย่อมหอมฟุ้งไปท่านกสปะป่าโคสิงคฆาสาลวันจะพึงงามด้วยพิสษุเห็นปานไรนะเอาพิสูแบบไหนเน้ะมาอยู่ในป่านี้ป่านี้จึงจะดูงดงามพระมหากสปะก็ตอบว่าท่านสารีบุตร ภิกษุในาศาสนานี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดด้วยหมายคือว่าตัวเองเนี่ยถือทุดงอยู่ป่าเป็นวัดแนะนําบอกสอนชักชวนผู้อื่นให้อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยนะเรียกว่ า, าภัยทั้งหลายกิเลส ท, ทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดแก่ผู้ที่กําลังอยู่ป่าเหมือนกันนะเพราะป่านี่เป็นสถานที่ วิเวกเมื knight, ama, ่อวิเวกทั itor, vicinity, ้งหลายเนี่ยก็ศีละสังวรก็จะดีเป็นต้นหรือตนเองเป็นผู้เที่ยวบินธบัตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญชักชวนคุณให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติเที่ยวบินทบัตเป็นวัดด้วยตนเองเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดกล่าวสรรเสริญชักชวนคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดด้วยตัวเองเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญชักชวนคุณ แห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดด้วยคือชักชวนคนอื่นด้วยแนะนําคนอื่นด้วยเกี่ยวกับเรื่องธุดงเนื่องจากว่าตัวเองเป็นผู้มีทุดงอันะอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินธบาตเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดก็แนะนําชักชวนเชิญชวนให้ผู้อื่นอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินฑบัตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและถือไตรจีวรเป็นวัดอันนี้ยกทุดงมาสี่ข้อเป็นหลักแต่จริงๆก็เท่ากับกล่าวธุดงสิบสาข้อ ต่อไปก็ตนเองเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยหรือมีความมากน้อยก็หมายความว่าตัวเองเป็นผู้มีกถาวัตถุ1ิบประการปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ10ประการชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ1ิบประการนั้นตนเองเป็นผู้มากน้อยมากน้อยในปริยัตหมายาว่าเรียนแล้วก็ไม่พยายามจะโอ้อวดบอกกล่าวคนอื่น น, นะนหมายความว่าไอ้คำว่าบอกกล่าวหมายควว่ายกเที่ยวชูงวงว่าเราเนี่ยจบอะไรเป็นใครระดับไหนเนี่ยนะหรือไม่ก็ตัวเองเป็นผู้ที่บรรลุมรคผลก็ไม่ใช่ว่าเที่ยวโฆษณาเชิญชวนว่าข้พาพเจ้าคือผู้มีมรคผลอยู่ในใจเป็นต้นคือไม่พยายามทําตัวโอ้อวดในลักษณะนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะของคนมักมากไม่ใช่ลักษณะของคนมีมายาหลอกลวงและโอ้อวดเนี่ยนะ อย่างนั้นเสร็จแล้วก็กล่าวสันเสริญยกย่อนยกย่องเชิญชวนให้ผู้อื่นดํารงอยู่ในภาวะแห่งผู้มีความมักน้อยด้วยตนเองเป็นผู้มีความสันโดษกล่าวสันเสริญคุณแห่งความสันโดษตนเองเป็นผู้วิเวกเนี่ยนะวิเวกกายวิเวกทางกายวิเวกทางจิตแล้วก็อุปธิเนี่ยกล่าวสรนเสริญชักชวนคนอื่นให้รู้คุณของวิเวกคือความสงัดด้วย ตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นและก็กล่าวเชิญชวนชักชวนให้รู้อันนี้สงคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยนะกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้มีศีลรักษาศีลก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยนันตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิมีสมาธิบริบูรณ์ก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณแห่งความถึงพร้อมสมาธิด้วยตนเองเป็นผู้พัร่งพร้อมด้วยปัญญาก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย ศีลสมาธิปัญญาตรงนั้นเป็นทั้งโลกิยะศีลและโลกุตระศีลโลกียะสมาธิโลกุตระสมาธิโลกียะปัญญาแล้วก็โลกุตระปัญญาส่วนตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์เนี่ยนะเน้นอะไรแต่ทางค่ะวิมุตต์วิคัมพนาวิมุตต์สมุทเชทตวิมุตต์ปฏิปัสสติวิมุตตินิสระวิมุตติเนี่ยนะโดยเฉพาะเข้าถึงวิมุตต์คืออรหัตตผลก็สรนเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานทัศนะ คือมีปัจเจกขณะยานสิบก้าก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติย า, านทัศนะด้วยท่านสารีบทป่าโคสิงฆะสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่า น, นี้แหละก็คือตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ในทุดงคุณทั้งหลายชักชวนให้ผู้อื่นอยู่ในทุดงคุณตนเองเป็นผู้ที่ ปฏิบัติอยู่ในกระทาวัตถุ10ประการก็กล่าวชักชวนเชิญชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกระทาวัตถุ10ประการนั่นเองมันป่ากปาโคสิงข้าสารวันต้องงามด้วยพิสุอย่างนี้สิอันนั้นก็แปลว่าอะไรปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองแล้วก็แนะนําให้ผู้อื่นเป็นนักปฏิบัติ ด, ด้วยนั้นคำว่านี่พระมหากระสปะนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวแทนของนักปฏิบัติมันนักปฏิบัติอยู่ด้วยอะไรทุดงขวัตทั้งหลาย มักน้อยสันโดษวิเวกปราไม่คลุกคลีปรารบความเพียรถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตมติยานทัศน ะ, ะนะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเก็บงําเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแนะนําบอกสอนเปิดเผยแล้วเรื่องมักน้อยสันโดษศีล ส, สมาธิปัญญาขยายไปขยายมาก็บอกว่าอยู่ป่าด้วยตัวเองปฏิบัติตามแล้วก็สอนผู้อื่นในเรื่องศีลเนี่ยนะก็แปลว่าตัวเองเนี่ยถ้าพูดแบบภาษารูปธรรมหน่อยก็คือว่า ตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามวิสุทธิมัติทุกประการแล้วก็เปิดสอนคำภี์วิสุทธิมัติด้วยนะคิดง่ายๆเลยนะาพูดแบบไม่ยากเย็นเลยนะอันนี้ถ้าเป็นเรียกว่าฉบับย่อนะวิสุทธิมัติเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับย่อคือตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามวิสุทธิมัติทางแห่งพระนิพพานอยู่แล้วก็บอกกล่าวแนะนําเชิญชวนชักจวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิมัติคือข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน นี่นหนึอีกในหนึ่งเขบอกตัวเองปฏิบัติตามคําสอนในพระไตรปิฎกอยู่แล้วบอกกล่าวให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนั่นเองนั่นเพราะว่าวิสุทธิมรรคก็คือพระไตรปิฎกฉบับย่อ น, นะเรียกว่าย่อเหลือแต่กระเทาะออกมาเหลือแต่แก่นไม่มีพระเอกนางเอกอะไรทั้งนั้นนะ่ะนะเหลือแต่สาระล้นลวนว่าเออเนี่ยศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้อันที่ทีวิสุทธิเป็นต้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็หาข้อมูลประกอบแล้วกันเหมือนกันนะ นะก็ถ้าอย่างนี้ได้ก็พ้นทุกได้มาเะตัวเองปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็แนะนําชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ด้วยนี่เป็นทัศนคติของพระมหามหากัสปะเนี่ยนะเพราะว่าพระมหากัสปะนี่ถือว่าเป็นอะไรนะสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ที่นกต้องการออกจากวัตฏะอย่างแรงกล้าเนี่ยนะนะไม่ติดใจในโลกามิสเดยประการทั้งปวง เมื่อท่านพระมหากระสปะกล่าวตอบอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะปฏิพานตามที่เป็นของตนพระมหากระสปะพยากรแลว้วแสดงว่าพระสารีบุตรนี่เป็นหัวหน้าในการเชิญชวนในการอภิปรายอย่างกว้างขวางเลยใช่ไหมไลายเป็นรายบุคคลเลยเนี่ยนะบัดนี้เราขอถามท่านพระมหาโมคคลานะในข้อ น, นั้นว่า ป่าโคสิงคฆาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจังไม้สาละมีดอกบานสับปะรังทั่วลำต้นกิ่งคล้ายทิพห์หอมฟุ้งไปท่านพระมหาโมคคลานะป่าโคสิงคฆาสารวันจะเพึ่งงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหาโมคคลานะก็ตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระศาสนานี้กล่าวอภิธรรมมกถา เธอทั้งสองนั้นถามกันได้กันถามปัญหาแก่กันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักด้วยอะนนะอีกคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งตอบอีกคนหนึ่งตอบอีกคนหนึ่งถามช่วยกันถามช่วยกันตอบเนี่ยนะไม่ต้องพักอะ่ะทำมรรคฐาของเธอทั้งสองนั้นเนี่ยนะย่อมเป็นไปด้วยเขาใช้คําว่าทำมรรคฐาก็คือสนทนานัน่นแหละในคาถาวัตถุเป็นต้นนั่นแหละท่านสารีบทป่าโคสิงคข้าสารวานันเนี่ยพึงงามด้วยภิกษุ เห็นปานนี้แลท่านส่วนรายละเอียดพิสดารเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องความเห็นของพระมหาโมคคลานะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอีกทีหนึ่งแต่สรุปว่าควรจะเป็นธรรมมกถึกผู้ที่กล่าวธรรมสนทนาธรรมกันเนี่ยนะไม่มีการหยุดพักในระหว่างเลยมีแต่การสนทนาธรรมตอบปัญหาธรรมะนี่แหละป่าโคเสียงข้าสารวันจะต้องงามด้วยพิสูจ์เช่นนี้ ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะก็กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรปฏิพานตามที่เป็นของตนพวกผมทั้งหมดก็พยากรณ์ตอบกันบทหมดแล้วเนี่ยนะผมก็ตอบแล้วพระมหากระสปะก็ตอบแล้วพระอนุรุท ธ, ธาก็ตอบแล้วพระเรวตะก็ตอบแล้วพระนนทก็ตอบแล้วบท น, นี้เราจะขอถามท่านพระสารีบุตรในข้อ น, นั้นว่าอความเห็นของท่านบ้างอะนะผู้ พ, พี่ปรายมีความเห็นว่ายังไงเนี่ยนะ เลยว่าพิธีกรมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นบอกว่าป่าโคเสิงข ส, สารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจมกระจางไม้สาลามีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย์ย่อมหอมฟุ้งไปท่านสารีบทป่าโคเสียงข้า ส, สารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นป่านไระนะภาษารีบุทก็ตอบว่าท่านโมกขลานะ พีคสุในศาสนานี้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจแต่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตที่เรียกว่าดูเเลควบคุมจิตได้นยนะก็บอกว่าเอาอยู่ถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตนะชีวิตปกติของเรานั่นแหละตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตจิตบอกว่าเอางี้สิโอ้เชื่อหมดอ่ะนะเรียกว่าเป็นทาตของอะไรทาตของความคิดเนี่ยนะแต่ไม่เคยมีความคิดเนี่ยบอกเออหลับได้แล้วบอกหลับตื่นตื่นนั่นต้นเนี่ยนะ อย่าฟุ้งสิก็ไม่ฟุ่งนะแต่ออันนี้ง่ายมากในความคิดภาษาริบที่ว่าจิตปฐมฌานก็วัดปฐมฌานจิตทุติยฌานนั่นก็เข้าทุติยฌานเนี่ยนะจิตเข้าพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะภาษาริบุตรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเธอหวังจะเข้าวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเชา้าก็เข้าวิหารสมาบัติเหล่านั้นได้ในเวลาเชา้าพันจะเข้าทิพวิหารคืออรูปประชานและอารูปประชานในเวลาเชา้าส บ, บายมากถ้าจะเข้าพรหมวิหารทั้งสีในเวลาเชา้าส บ, บายมากถ้าจะเข้าพระสมาบัติในเวลาเชา้าก็ไม่ยาก จะเข้านิโรธสมาบัติเวลาเช้าก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยต้องการอยู่ด้วยรูปประชานรอารูปประชานอยู่ด้วยพรมวิหารจะอยู่ด้วยอริยวิหารอยู่ด้วยทิพพวิหารจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดไม่ใช่ของยากเลยเนี่ยนะเช้ามันจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดก็อยู่สบายหรือจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดในเวลาเที่ยงก็อยู่วิด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยง หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นเปรียบเหมือนใครเปรียบเหมือนผ้าของพระราชาหรือราชาอามาศซึ่งเต็มไปด้วยผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆโบราณ น, นี่เขาเก็บไว้ในหีบนะสมัยนี้ก็เก็บไว้เปิดตู้เสื้อผ้าเลยแบบนั้นนะะขาบอกว่าพระราชาหรือราชาอามาศนั้นเนี่ยวังช่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเช้า ก็หอมผ้าคู่ชนิดนั้นได้เวลาเช้าก็ว่ามีสมาบัติเก็บไว้ในใจเนี่ยนะก็ตู้แห่งใจเนี่ยโอยจะดึงเอาสมาบัติเหล่านันมาใช้ก็เหมือนกับเรามีผ้านี่แหละเปิดดูนะตู้ที่หนึ่งจะใช้ชุดไหนชุดที่สองตู้ที่สอ ง, ต, สองตู้ที่สามเนี่ยนะบางคนนี่มีผ้าเยอะมากเลยนะไม่ต้องหาฟืนก็สบายแบบนั้นเลยนะเยอะมากเลยนะเยอะขนาดนั้นนะ ก็แล้วแต่ว่าเนี่ยคือคือคนที่มีผ้าเยอะๆนะต้องการจะใช้ชุดไหนตอนเช้าชุดไหนตอนกลางวันชุดไหนตอนเย็นชุดไหนชุดราตรีชุดนะชุดราตรีชุดกลางแก้งกลางแดดกลางลมกลางฝนมันมีสารพัด ท, ที่จะใช้เนี่ยนะสู้พระไมน่ามีชุดเดียวนะไปไหนก็สีเดียวนั่นเลยมันก็บอกว่าคือคือนี้พูดถึงพระราชาหรือราชาอํามาศของพระราชาประสงค์จะใช้ผ้าชนิดไหนก็ได้ พิกโซก็เหมือนกันยังจิตให้เป็นไปในอำนาจเรียกว่าควบคุมความคิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไปตามอำนาจของความคิดเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดเช่นทิพะวิหารคือรูปสมาบัติอรูปสมาบัติ อยู่ด้วยพรหมวิหารอยู่ด้วยอริยวิหารเหล่าใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเช้าหวังว่าจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นได้ในเวลาเย็นฉันนั้นเหมือนกันท่านโมคขลานะป่าโคสิงฆาสารวันจะพงามด้วยพิสุเห็นป่านี้ ว่าต้องอยู่ด้วยสมาบัติซ่เนี่ยนะภาษารีบ ท, ท่านบอกว่าอยู่ด้วยสมาบัติมีฌานสมาบัติเกเรวัติพระวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเป็นต้นนี้สิจึงจะดีลําดับนั้นท่านภาษารีบท่าก็กล่าวกับท่านท่านพร ะ, ะท่านผู้มีอายุคือพระทั้งหลายเหล่านั้นแล้วว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายปฏิภานตามที่เป็นของตนของตนคือหมายว่าทุกคนก็ออกความเห็นตามข้อปฏิบัติประจําวันของตนอยู่แล้วเนี่ยนะ พวกเราทุกรูปพยากรณ์แล้วมาไปกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับครั้นแล้วจะ ก, กราบทูลเนื้อความทั้งหมดนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดเราจะทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นมันพวกเราไม่เอาพวกเราเป็นมาตรฐานนะเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ ถือเอาของพระพุทธเจ้าเป็นประมาณานะท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้ว